ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายต่รมพระบุตญาณได้นำเสนอเรื่องขันติบารมีมาโดยนํำดับในขณะเดียวกันเพื่อกระจายให้เห็นว่าการครองชีวิตในโลกท่ามกลางทุกภัยโรคที่เบียดเบียนอยู่รอบข้างนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยคันติที่เป็นหลัก อย่างที่ทรงแสดงว่าคันติเป็นประธานเป็นผู้นำในการทุ่มทุ่มความดีทั้งหลายทั้งฐานทั้งศีลทั้งภาวนาแต่นี้เป็นเพราะอะไรเพ ร, ราะว่าแต่ละเรื่องแต่ละกรณีนี่มันไม่มีอะไรที่สะดวกสบายที่เราพูดกันว่าเส้นทางชีวิตไม่ได้ปูราดด้วยกลีบกุหลาบ แต่ก็มีลุมบอ่อขวากน้ำมีอันตรายทั้งจากภายในแล้วก็ภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ อ, อันตรายที่เกิดขึ้นจากภายในใจของบุคคลเองจนบางครั้งบางคราวไปเจออุปสรรคเพียงเล็กๆน้อยๆจิตใจก่อนไวหวหวาดกลัวต่ออุปสรรคเหล่านั้นแล้วเกิดท้อถอยหมดกําลังใจ ในขณะที่คนอีกเป็นนั้นมากเขากลาก้าขวากันอุปสรรคอันตรายเหล่านั้นกอการอดทนตอ่อทุกภัยโรคต่างๆที่เสียดแทงก็ได้แล้ในที่สุดเขาก็ประสบความสมําเร็จให้ดูเป็นตัวอย่างเพราะนพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายเรามองโดยสรุปในฐานะที่คันติเป็นธรรมะระดับบูรุษการ ว่าทุกกรณีที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์กับบุคคลกับโลกกับชีวิตพูดง่ายๆว่าสรรพสิง่งสรรพสัตว์ล้วก็สรรพธรรมดวแลแต่จะต้องอาศัยความอดกลั้นความอดทนมากบางน้อยบ้างอย่าที่เราพูดกันว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวการ้วยบัตธรรม ก, ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน เราปฏิบัติประนีขึ้นมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีปัญหาประสัคเพิ่มขึ้นเท่านั้นวันยามปกติการกระทำอย่างหนึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่พอสถานะเราเปลี่ยนแปลงไปไปทำอย่างนั้นมันก็สูญเสียสถานะจะยกตัวอย่างว่า เราเป็นบุคคลธรรมดารักษาศินห้านี่ปฏิบัติระดับหนึ่งคือไม่ติดสินห้ามันก็ไม่เสียหายอะไรแต่ต่อมาเราเกิดรักษาศินแปดหรือโนบทสดขึ้นและสถานกริยาท่าทางต่างๆตลอดตั้งการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายจะต้องมีความละเอียดประณีตมากยิ่งขึ้นซึ่งก็หมายความว่า ต้องอดกลร้นอดทนทนทานต่อธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตใจเช่นใาการเลื่อนไหลของสัปปะกิเลสทั้งหลายซึ่งก็เคยมีอำนาจอิทธิพลต่อความรู้สึกนิคิดของเราเช่นว่ารับรักษาศีลโสดแล้วก็นึกอยากจะกินอาหารตอนเย็นขึ้นมามันก็เกิดต่อสู้กันอย่างแรง ถ้รอดทนเราตเราก็อาจจะละเมิดศีลที่ตัวเองสมาทานเองแต่ถ้าความอดทนเราสูงพอเราก็ทนทานได้แต่ด้ขณะเดียวกันบางครั้งบางคราวก็มีคนมาขยันขยอด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็มีอาหารที่เราตาลอดใจก็จะชวนให้เกิดความอยากที่จะกิน บางทีก็อาจตัดสินใจกินแล้วไปสมาทานศินใหม่หรือว่าตัดสตัดสินใจกินแล้วไปแสดงอบัตรใหม่เป็นต้นแล้วในที่สุดเราก็จะภายแพร่ความรู้สึกซึ่งเกิดขึ้นจากการเหนื่อยนึกของเราเองบ้างคนอื่นมากระตุ้นบ้างพระเจ้าได้ทรงสแสดงไว้ในย่าหนึ่งคือที่จริงเป็นเเปเป็นป็นนคํากล่าวในสมัยที่ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ เขะเหนว่าถ้าเป็นคํากล่าวระดับที่ทรงเป็นระโพธิสัตว์จุดนั้นจะไม่เน้นสูงมากเกินไปแต่ก็อยู่ในวิสัยที่คนทั่วไปเนี่ยสามารถประพฤติปฏิบัติได้ในคราวหนึ่งพระเทรวัตถะพระโพธิสัตว์ได้กล่าวว่าเสนาแม่หมูใหญ่พร้อมด้วยพระราชารบอยู่ไม่พึงได้ประโยชน์จิตสัตวบุรุษผู้มีขันติพึงได้เพราะว่า เวรทั้งหลายของผู้มีขันติเป็นกำลังย่อมซึ่งหมดระงับปัญหาข้อ น, นี้เป็นปัญหาที่น่าที่น่าคิดคือหมายความว่ามองจากพื้นฐานของวิยญชนหรือนักปราแต่ว่ากระแสะโลกกระแสะสังคมนั้นจะมองอีกแนวหนึ่งข้อ น, นี้ค่อนข้างเป็นความขัดแย้งกันสูงคือภาพเดียวกันพฤติกรรมอย่างเดียวกันแต่คนทาคนละกลุ่มกัน คนกลุ่มหนึ่งกลับได้รับการยกย่องคนกลุ่มหนึ่งได้รับการตําหนิติเตียนหรือปรับปรามหรือว่าฆ่าทําลายก็แล้วแต่ในคนนี้ได้ปรากฏในคัมภีร์รูบายาต์ของอากิมโอมาคยัมเป็นน้าประย่าชาวเปอร์เซียคือมีโลกทัศน์แบบนักปราชญ์นะหมายความว่านักปราชญ์มันก็มองระดับนักปราชญ์แต่เป็นปัญหาที่น่าคิดคือยังนึกว่า ในขณะที่โลกมีองค์กรโลกคือองค์การสหประชาชาติเกิดขึ้นเนี่ยมันทำยังไงว่าโลกจะพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งที่ยุติการสะสมกำลังอาวุธกันแล้วเอากำลังอาวุธเหล่านั้นเน่งงบประมาณที่ใช้ไปเพื่อกำลังอาวุธเหล่านั้นยุทธปัจจัยทั้งหลายนี่แมมันแพงม า, าศารนีเอามากแก้ปัญหาเศรษฐกษิจแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาศีลธรรม โลกมันจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะนะะแม้คนจะมากขึ้นก็ตามแต่ว่าถ้าจิตใจเขาดีงามนี่มีการประนีปะนอมมีการประสานประ า, ปร ะ, าประโยชน์มีการสงเคราะห์นุเคราะห์ลุกเพื่อกันและไม่เห็นแก่ตัวอะไรมากเกินไปเนะี่ยมันก็โลกก็ยังอยู่อยู่ได้อีกมากแต่ว่าความคิดแบบสงครามมันก็คิดอีกแนวหนึง่ง หมายความว่าเป็นวิธีการลดประชากรลดจำนวนประชากรลงไปได้อีกมากแต่ก็น่าเสียดายที่ ว, ว่าทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติพวกแรก่ธาตุต่างๆที่มีคุณค่าเนี่ยเอามาทำลายมาล้าพานกันสมัยที่อเมริกันก ร, รบรบอยู่ที่เวียดนามนะมันมีวันหนึ่งที่เครื่องบิน D-52 ก็ตก แล้วก็เขาคิดออกมาเป็นตัวเลขนะราคาเป็นเงินตอนนั้นก็คิดเป็นเงินดอลลาร์แล้วมาลองเอาเงินบาทไปคูณดูเนี่ยออกมาเป็นเงินบาทตอนนั้นก็บาทรูกสึกว่าจะยี่สบกว่าบาทดอลลาร์อย่างยี่ิบกว่ากาบาทเราได้เงินจำนวนมหาศาลคือมหมายความว่าสมัครประชากรขณะนั้นก็สามสิบกว่าปีแล้วนะประชากรขนาดนั้นก็สนะาม0ันกว่าล้าน คือสามารถเอาเงินยอดนี้ไปแจกแจกคนทั่วประเทศเได้คนละแปดบาทแล้วมันก็มีความคิดในเรื่องนี้มาตลอดว่าทำไมนะโลกมันจะพัฒนาก็ถึงจุดหนึ่งที่หยุดการสงครามกันได้ต่มีปัญหาขัดแย้งอะไรกันก็มานั่งคุยกันหาทางประนีประนอมประสานประโยชน์กันมันคงทำได้แบบฝันนะความฝันแต่ในแง่ของความจริงคงทาได้ยาก รโรควันก็คือโลกนั่นเองแต่นักกินมมมขยำท่านจึงกล่าวไว้ว่ามหาโจนเชี่ยวปล้นฆ่ามหาชนดาอุบาทราทันปรนปราบป้องมาราชญาติพระหนุนพยนมาราชละพ่อชมจชกาศราชเดชก้องเกียรติกระนันขันใหม่เป็นรหัสรสแห่งดนตรีแห่งแห่ ง, แ ห, ง, แ, หงแห่งวรรณกรรม คือวถือว่าเป็นเรื่องขำ ม, มันตลกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกติดตลกก็ตั้งกฎกติกาขึ้นมาแล้วกฎกติกาเหล่านั้นก็ขัดแย้งกันเองก็เราจะเห็นว่าหมาโจรก็ต้นก็ข่าก็ทำลายชีวิตคือกล่าวโดยสรุปก็ผิดสีห้าข้อนั่นแหละ แต่ถ้าเรามองว่าศึกสงครามที่รบ ก, กันไม่ว่าในยุคใดสมัยใดถามว่าต่างอะไรจากโจรนะนอกจากเป็นกติกาเป็นความชอบธรรมที่ผู้มีอำนาจผู้กันเองนะก็ทัพก็ฆ่ า, าก็ทำลายทรัพย์สินก็ลุวงละเมิดทางเพศแล้วก็โกหกแล้วก็พอชนะก็ดื่มสุราฉลอง พอแพ้ก็ดื่มสุราแก่กลุ่มไอ้โจรต้นก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าผลจากการทำลายที่จริงโจนทำลายได้น้อยกว่าไอ้โจนเป็นอาชญากรรมที่จะต้องเข็นค่าจะต้องทำลายจะต้องปราบปรามให้หมดไปของทัพแต่ละคนเนี่ยกลายเป็นวีรชนงานแต่ก็าทาเป็นวีรกรรม แลวการยกย่องเคารพนับถือจากบุคคลทั้งหลายมันก็แปลกดีฮะในแงส่สินธรรมในแง่ประจ่าก็ถือว่าแปลกในแง่สัจธรรมก็ถือว่าแปลกแต่ในแง่สังคมก็เป็นธรรมดาคนสัง ค, ม, คมก็เป็นพออย่างกันเองเราจะเห็นว่าไอ้กฎกติกาทั้งหลายที่ตั้งขึ้นเนี่ยเช่นสมมติตัวคนค่าคนตายแล้วก็ถือว่าผิดกฎหมายอาญา แต่เรสมมติว่าคนไปต่อยกันบนเวทีที่มวยต่อยกันแล้วเกิดตายเอาไม่ผิดกฎหมายก็ชอบคนนะ่ะคือหมายความไอ้กติกาเหล่านี้ที่จริงมนุษย์ตั้งขึ้นเพราะว่าลึกลึกมนุษย์เนี่ยมันมีวิหิงสาวิตกคือเหนียวนึกตรึกนึกด้วยความคิดเนี่ยทำนองเบียดเบียนต้องการเห็นความรุนแรงการต่อสู้ดูเดือดเลือดพร่านทั้งหลายเนี่ยมันสะใจมันมันม่นใจมันได้อาหารคือวิหิงสาวิตนี่ก็ได้อาหาร เพราะในกฎกติกาต่างๆเป็นอันมากที่ตั้งกันขึ้นแล้วก็ยอมรับอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดทั้งๆที่เรื่องเดียวกันค่าคนตายโดยการยันหนึ่งค่าแล้วก็ถูกยัหนึ่งค่าก็ผิดยัหนึ่งค่าเป็นทรชนคนหนึ่งค่าเป็นวิรชชนนั่นคือลักษณะความสับสนในด้านความคิดแต่ที น, นี้พระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็คิดแบบพระโพธิสัตว์คือมองแบบพระโพธิสัตว์มันเข้าถึงสัจธรรมที่ลึกซึ้งลงไป ถ้าก็มองเห็นว่าการต่อสู้กันของบุคคลทั้งหลายเนี่ยแม้แต่ว่าเป็นกองทัพที่รบราข้าฟันกันปัญหาว่าใครได้มันไม่มีใครได้วาใครเสียมากกว่าอะไรนั้นเองคืจะถามว่าใครได้กงไม่ได้แต่ถามว่าใครเสียมากกว่าที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่า นอกจากสูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สิสสนแล้วก็เกิดความวิปริตแปรปรวนทางธรรมชาติมนการจองล่างจองผ่านมีการหวาดรแวงโยปัญหามันาลางการาคาสั่งกันอีกทั้งนานยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยบาปกรรมทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากการฆ่ากันทำลายมันก็เป็นสิ่งที่ติดตามบุคคลนั้นไปสังคมเองก็คงมีบาปกรรมที่จะต้องชดใช้ ค่้ายๆกัความรู้สึกของเรากับพม่าเนี่ยลองสังเกตดูว่ามันไม่เคยสนิทสนมไม่เคยสนิทชิดเชื้อเท่าไหร่เพราะยังไงการที่พม่าบุกรุกแล้วก็เผากรุงเราเนี่ยแม้จะผ่านมาตั้งสองร้อยกว่าปีแลว้วก็ตามมันก็รู้สึกอยู่มีเป็นเป็นความรู้สึกที่ฝังใจลึกๆ ก, ก, กันอยู่แต่เขาเองก็ไม่เคยเชื่อใจเราเราเองก็ไม่เคยเชื่อใจเขาเหมือนกัน แล้วก็แสดงให้เห็นว่าไอ้ผลของบาปรกรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่มันไม่ได้ติดตามไปเฉพาะคนที่ตายไปแล้วคกือบเธอร่วมต่อสู้ร่วมรบราคาฟังกันนะแต่ว่าคนรุ่นหลังก็รับมรดกบาปของการต่อสู้การหวาดระแวงการคิดจะโต้อตอบแก้แค้นกันแล้วผลทุตายมันก็สูญเสียงเงินทองไปเป็นจำนวนมากเพื่อ ป้องกันบ้านเมืองเนี่ยคือความบาดระแวงกันแล้วก็จริงเราก็ย้ายประเทศหนีไม่ได้เห็นไหมเราจะเสียเงินทองไปในเรื่องเหล่านี้เรื่องชาแดนเนี่ยเยอะเลยแล้วก็ทุกด้านแล้วก็ทุกส่วนของโลกนะฮะไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของโลกนั่นคือเป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะในจุดตรงนี้ถ้าอดทนสักหน่อยได้ไหมอดทนแล้วก็หาข้อยุติกันเสีย ไม่มีใครประสบบาปไม่มีอะไรสูญหายไม่มีใครล้มตายเพราะการเข็ยขค่าการตายธรรมชาติก็ตายไปปณาว่าความคิดตัวเนี้สัตว์บุรุษท่านบอกว่าถ้ามุขคนผู้นั้นก็มีขันติเอาไว้เนี่ยอดกลั้นอดทนเอาไว้อย่างตัวอย่างที่พึงสังเกตได้ชัดเจนเนี่ยคือพระญาติของพระพุทธเจา้า ระหว่างเทวตหากับกบิลพัทหรือกุิยวงศ์กับสักยวงศ์ที่เกิดแย่กน้ำในการทำนากันมันเริ่มต้นโดยการทะเลาะกันระหว่างประชาชนของทั้งสองฝั่งแม่น้ำนะแล้วต่อไปต่อ ม, มันชักจะลามปามลามปามไปจนถึงว่าโกลนโคดของราชวงศ์ทั้งสองฝ่ายขึ้นมาด่า ก, กัน ก็หมายความว่าระจะยาวจุดบกพร่องของเราก็มีจุดบกพร่องอยู่แล้ในที่สุดก็ทําให้กษัตริย์ทั้งสองฝ่ายนี่กิ้วไม่พอปัญไทจะออกมาจะรบกันคือปัญหาสาคัญว่าการรบกันเนี่ยพอมองไปแล้วนี่มันญาติทางนั้นเลยข้าหน้าเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งมองมาก็คือญาติทางนั้นเพราะเป็นเป็นราชสกุลที่เป็น อสลับการแต่งงานกันมาตลอดยาวนานได้เกินมันก็เป็นญาตพี่น้องกันคล้ายๆกับพระพุทธเจ้ากับพระเทวทัตเน่ยคือจะมองให้พระพุทธเจ้าเป็นพี่ก็ได้เป็นน้องก็ได้พระเทวทัตก็เหมือนกันเป็นพี่ก็ได้เป็นน้องก็ได้เพราะลูกผู้พี่ลูกภูน้องกันก็นับจะสายไหนเป็นพระญาติมันคนละราชวงศ์แตนั่นเองแต่ก็เป็นพระญาติ พระเจ้าเสด็จมา ก, กระตุ้นเตือนให้คิดเป็นลําดับความคิดไปเรื่อยเพิ่มพูนสติปัญญาเหตุผลไปเรื่อยแล้วก็ด้านเหล่านั้นก็เกิดอาการลดกั้นทนทานได้เองกําลังจะลบกันแล้วนะพระเจ้าเสด็จปรากฏพระองค์กวดดนั้นก็ตกพระทัยพอสมควรเนี่ยเพราะพระพุทธเจ้าก็อยู่ในฐานะที่เรียกว่าเป็นพระญาติผู้ใหญ่แล้ว พึงจะเป็นพระโจรสของพระเจ้าสุดโทธนาะแต่ก็ถือว่าพญาตผู้เป็นเสริฐคือสูงสุดในราชวงศ์ทั้งสองไง น, นะครับวันพระพุทธเจ้าเสด็จก็ตอนเหล่าลนั้นก็วางอาวุธก็มาคว้าวพระพุทธเจ้าหมดทั้งสองฝ่ายพระเจ้าก็เหมือนกับไม่รู้ามามประชุมทําอะไรการมาพระพิษเนี่ยทำไมประชุมทำรารกัน แตล้วนั้นก็กราบทูลรายงานในสงทรารจ้าก็ไม่รับสั่งว่าไรนะรับสั่งถามไม่คิดว่าน้ํากับกษัตรเนี่ยอะไรมีค่ามากกว่ากันตอนนั้นก็กราบทูลว่ากระสัตรจะมีค่ามากน้ําเนี่ยมีค่าน้อยกว่ากษัตริย์ก็รับสั่งว่ามหาภพิษลองคิดดูประการที่เราเอาน้ําซึ่งมีค่าน้อยเอากษัตริย์ซึ่งมีค่านะค่ามากเนี่ย มาเสียชีวิตมาทำสงครามกันเพื่อแลกกันน้ำที่มีค่าน้อยเนี่ยมันเป็นการกระทำที่สมควรอยู่หรือไม่แต่ก็เสร็จแล้วก็ทรงแสดงให้เห็นงว่าในขณะที่คนเขาเบียดเบียนปฏิสลายกันแล้วคนกลุ่มหนึ่งก็ไม่เบียดเบียนปทุสลายกันเนี่ยก็จะอยู่เป็นสุขได้แล้วก็จบลงด้วย กษัตริย์ทั้งสองขวายเนี่ยก็ขมใจตัวเองได้หามใจตัวเองได้ลองสังเกตนะตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงประทานปัญญาให้แต่ความรู้สึกลึกๆเนี่ยมันญาตนะิน่ะมันจะทำยังไงรบกับญาติเนี่ยบได้ยังไงแต่ถ้าเราศึกษาถึงองค์สวดานของอารยันเราจะพบว่ามีคราวหนึ่งที่การเป็นการรบระหว่างกษัตริย์ปานาดบกับกษัตริย์เการบเป็นราชวงศ์ลูกพี่ลูกน้อง แล้วก็มารบ ก, กันเองเกิดเงื้อดาวขึ้นแต่ละทีในไม่รู้จะฝันใครนะเจอญาติพี่น้องทางนั้นมันก็เกิดประยาสงครามขึ้นมาโดยท่านกฤษณะเขาเรียกว่าสีมัดภควัตคีตาเป็นประยาสงครามนะก็สอนให้คนเห็นว่าการฆ่าไม่บาปไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่า ดาบก็เป็นวัตถุคนก็เป็นวัตถุเป็นเรื่องวัตถุมันแสกกเขไปในวัตถุไปกันใหญ่เลยนะฮแล้วก็จบลงในตอนสุดท้ายเนี่ยพวกที่ทำสงครามรบราฆ่าฝันกันฆ่าคนทายเยอะไปเกิดบนสวรรค์หมดเลยนั่นจดยใจว่าอันตรายไหมประยานในแนวเนี้ยมันก็สร้างขึ้นหลังอย่างละทีบูชิโดของญี่ปุ่น หรือแม้แต่ปราชญ์ซามมไรหรือผงบินกามิกาเซอะไ ร, ต, ะไรต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแนวที่เพิ่มความรุนแรงแล้วก็มองมุมอับในมุมใดมุมหนึ่งแล้วคนเสียสละทุ่งเทเพื่อเกียรติเพื่อศักดิ์ศรีอะไรก็ไม่รู้นะก็พยายามจะสร้างเข่งเพิ่มความกดกันความอ ด, ดคนมันจะดีกว่าการต่อสู้การวิวาดกันเพราะอะไรเพราะว่า ไม่สร้างมรดกบาปให้แกสังคมแล้วตนเองก็ไม่ต้องพกพาบาปไปสู่ปารลกความอดทนจึงห้ามห้ามความผุงแพรนห้ามความฉุนเฉียวรู้อำนาจแก่รมที่มากระทบดังนั้นระโพธิศัตก็แสดงถึงความจริงเราจะเห็นว่าความจริงตรงนี้ไม่ใช่เห็นระดับเฉ้าประโพธิสัตว์อา ก, กินมุมาขยำเองท่านก็เห็น แล้วก็มีนักปราชญ์เป็นนั้นมากนะที่เข้าใจความจริงตรงนี้แต่ว่าในความเป็นโลกความเป็นสังคมเนะ่ะยังไงมันก็ภาคปฏิบัติมันคงยากอยู่เพราะอะไรเพราะเราก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าอย่างรัจุวงศักยะของพระพุทธเจ้าในปีที่พระพุทธเจ้าปฏิปานเนี่ยที่จริงถ้าเหล่านั้นไม่ต้องการแม้แต่จะฆ่าใครแล้วถ้าท่านจะฆ่าเด็กกองทัพวิถุตภะเนี่ยไม่มีทางจะรอดหรอก เพียงแต่ว่าท่านไม่ฆ่าเพราะ ท, ท่านให้ความทาการเกิดศีลท่านกลัวบาปท่านกลัวศีลท่านจะขาดแล้วท่านก็ไม่ยอมฆ่าปรากฏว่าคนเหล่านั้นมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันคึกขนองที่ได้ฆ่าคนซึ่งไม่ยอมต่อสู้ในขณะที่อีกคนกลุ่มหนึ่งนั้นก็ไม่เข้ามีส่วนร่วมในการการเขณนฆ่าเพราะถือว่าขวัยศักยะเข้าไม่ยอมไม่ยอมทาบาปไม่ใช่เพราะกลัว ไม่ใช่กลัวเขาแต่ว่ากลัวบาปเลยก็ไม่สุข ก, ก็ปรากฏว่าในแง่สังคมมันก็คงจะเป็นไปตามแนวของสยามานุสติกที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎกล้าจะอยู่สัวงนิพนธเอาไว้แม่วังตั้งสงบจงเตรียมโรกไปพร้อมสรรถ้าจูกล้ามาประจนก็อาจสู้ริบุสยาอ ส, สลายเนี่ยมันมันมันโลกอะ แต่ว่ายังไงก็ตามเรื่องความอดกัน้นความอดทนควรจะใช้นําไปก่อนมันเรื่องนอกวิสัยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเราใช้หลักขันติอดกลัน้นอดทนเอาไว้ในการขัดแยง้งหรือต่อสู้หรือว่ามุง่งจะชนะค้าขานกันเนี่ยมันไม่มีใครชนะหรอกแล้วมีแต่ว่าคนพ่ายแพ้ พราะว่าจะใหญ่จะโตยังไงก็ก็จบลงที่ความตายแล้วชีวิตมันก็จบลงที่เชิงตะกอนดังกล่าวท่านฟังทงั้งหลายแต่ร่มปฏิยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้ดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมสมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี